รับฟังเสียงเล่าความเป็นมาของวัวปานวัดบานโคท <c oughs> างคณะดนตรีเขาก็บอกว่าอยากจะบปรโคมประกอบก็ไม่ใช่ปโคมประกอบเขาจะสลับขั้น้าป้องกันความลำคายของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพืว <c oughs> ่าคนหลายคนมีว่าอยากฟังพูดบ้างแล้วก็อยากฟังเพลงบ้าง ถ้าเพลงเรื่องของคนแก่นิบดาท่านพถุบริษัทแล้วก็เรื่องของคนที่ตายเวลาพราะเวลานี้เป็นเวลาครบรอบร้อยปีเกิดครุพ่ปานแล้วก็ครบรอบร้อยปีตายครูพ่อปานขอโทษเราจะมีเวลาตายครูพ่อปานสินด้วยเพื่อแตมาเองก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดบันไหนเดือนไหนกันแน่ มาเดาเดากันว่าเวลาเดินแปดแรมติดสี่ขาทุกปีขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยเสียสละทรัพย์สินของท่านให้พระมาให้พระจับฉลาทรัพย์สยนที่มีอยู่บ้างเท่าไรนำออกมาหมดเอาไว้ใช่ตามสมควรเป็นการเสียสละทุกปี ถ้าถึงเวลาที่ท่านมรณาพาศก็มาตายอาวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนแปดเป็นวันที่ท่านบำเพียงกุศลหมดตัวอา <c oughs> ตมาก็เลยทึกทักเอาว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของท่านเจอตรงหรือไม่ตรงเนี่ยอาตมาไม่ทราบเพราะว่าลืมถามท่านไปเป็นอันเรื่องนี้แต่ว่าพาดครั้งยังไงแล้วก็ขอมันดาท่านพุทธบริษัทให้อาภัยด้วย อาตอมาเองก็ไม่จะประกาศว่าเป็นศัพท์ันอยู่รู้อะไรไปทั้งหมดความจริงก็รู้หมดไม่ได้ไปเห็นรูปหลวงพ่อปานเขาไว้หนวดเขาให้แล้วก็หลังโกงภาพนี้ต้องได้อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งท่านตายไปไม่เคยเห็นเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เคยเห็นหนวดหลวงพ่อปานไม่เห็นหลวงพ่อปานนั่งงอหลัง นี่เป็นอนุมาจามานี่ไม่ใช่สัพพัญยูแน่เพราะไม่สามารถจกรู้ภาพนี้ได้คุยกันต่อไปดีกว่าตอนนี้ขอแนะนำว่าจริยาวัดมื่อเป็นพระนวะกะคำว่านวกกะแปลว่าใหมา่เป็นพระภิกษุใหม่การที่ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ใหม่ในพระพุทธศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใหม่ไปหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเดิมทีอยู่บ้านนุ่งกางเกงใส่เสื้อใส่หมวกพอมาถึงความเป็นพ้าเข้าก็กลายเป็นนุ่งสบงคล้ายผ้าถุงของผู้หญิงแต่ว่ามีตัดข้างหน้าไม่ไม่ยประสารมีผ้าอังสะภายในเป็นเสื้อสั้น สัหรับผ้าซับเนือ้อภายนอกก็ไม่ผ้าผ้าพื้นใหญ่รุ่มรามรุ่มรามผมและอีกอันหนึ่งก็คือสังคาติสำหรับ้าดแกดูเลยขึ้นไปถึงศีษะผมเคยยาวก็กลับถูกตัดให้สั้นเกรียนกันเนื้อไอ้ผ้าเสื้อก็เปลี่ยนหัวก็เปลี่ยนมันดูคิว้วเมืองเราก็โกนคิ้วด้วย ใจความจริงทางพระวินัยไม่ได้สั่งให้โกนคิ้วพระพุทธเจ้าเพียงสั่งให้โกนผมกับนโกนหนวดแต่คนไทยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ทำทุกอย่างมันก็ไทยไทยไปหมดเลยล่อคิ้วก็ไปด้วยนี่เป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ไปหมดผมที่เคยยาวก็ไม่มีผมจะเอาหวีน้ามันมาใส่มันก็ไม่ได้ ใหม่ไปสมบูแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่ก็ใหม่เคยอยู่บ้านจะบริโภคอาหารเวลาไหนก็ได้พอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาต้องจำกัดเวลาไม่เลยเที่ยงวันหลังจากเที่ยงเปแล้วจะฉันได้แต่จะพะของที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้นนี่ก็มาใหม่ไปอีก ว่ากันทั้งเรื่องอาหารบรรดาท่านพุทธบริษัทใหม่อีกเหมือนกันอยู่บ้านเราเลือกอาหารได้ต้องการเปรี้ยวได้เปรี้ยวต้องการเค็มได้เค็มต้องการเย็นได้เย็นต้องการร้อนได้ร้อนต้องการอาหารอ่อนอาหารแข็งได้สมความปรารถนาเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราก็เลือกกันไม่ได้ ต้องบริโภคอาหารตามแต่ที่ชาบ้านจะพึงนำมาให้ด้วยศรัทธานี่อันนี้ก็ใหม่อีกต้องอดใจเข้าไว้การเป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากถ้าเราจะเป็นพระกันจริงๆตอนนี้เวลาจะฉันอาหารอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องฉันตามระเบียบอินหน่ย ฉัข้าวไม่ใช่คําโตเกินไปไม่อ้าปากกว้างเกินไปไม่ดังสุดๆไม่ดังจับๆถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าปรับเป็นโทษเมื่อเวลาฉันอาหารก็จะไม่จิกกับอาหาราคือข้าวที่ในจานและในบาตให้เป็นหลมหลึกลงไปถ้าทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าปรับเป็นโทษต้องปาดให้สม่ำเสมอกัน แล้วเวลาจะฉันอาหารจะพิจารณาว่าสิ่งนี้มันอร่อยสิ่งนั้นมันอร่อยเราต้องการสิ่งนั้นเราต้องการสิ่งนี้ถ้าว่ามีจิตคิดอย่างนี้ลงนรกไปเลยพระพระท่านชอบลงนรกท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะฉันอาหารองค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน ให้คิดพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิโกไดสัญญาคิดว่าอาหารที่เราได้มาทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความสกปรกพืชพันธัญญาหารทั้งหมดมีปุ๋ยสกปรกสัตว์ทุกดระเภทสกปรกทั้งหมดมีกลิ่นมีขาวมีเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองดีวจาระปัสสาวะในเมื่อเขามาปรุงเป็นอาหาร เรากินเข้าไปเราก็กินของสกปรกเมื่อพบของสกปรกแล้วทยังไงแล้วก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายของเราทั้งหมดนันก็เลยสกปรกทั้งนี้เพราะอไรเพราะว่าเรากินของสกปรกเข้าไปมันไปสร้างเลือดสร้างเนื้อให้แก่กายร่างกายเกิดแต่ความสกปรกแล้วมันจะสะอาดที่ไหนการบริโภคอาหารของพระต้องไม่ถือว่าการกินนี้ เรากินเพื่อความอ้วนผีกินเพื่อความของใสกินเพื่อย่อกิเลสให้เกิดขึ้นนี่มันก็ใหม่อีกน้าบรรดาท่านพุทธบริษัทลำบากใจไหมการบวชในพระพุทธศาสนาเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องทอดสายตาพอสมควรแค่ชั่วแอดไม่ใช้เสียงดังเกินไปไม่วิ่งไม่กระโดดโลดเต็น ถ้าเป็นเกรียาอย่างเด็กไม่เกลียวสาวไม่มองสาวได้การปรารถนาในการมาคุณมันใหม่ไปหมดนิบรรดาทันตบันบริษัทเวลาจะห่มผ้านุ่งผ้าก็ตามต้องพิจารณาว่านี่เราจะนุ่งจะห่มเพียงแค่ปกป้องความหนาวความร้อยความละอายเท่านั้นจิตใจไม่น้อมไปในความสวยสดสุดงามเพื่อเป็นการยั่วกลเล็ ถ้าคิดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์ต้องแนะนำบอกว่าเชิญลงนรกตามสบายนี่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสเริการหน่งความปรารถนาในความร่ำรวยจงอย่ามีเกี่ยวกะเวลาที่จะบ้านเขาจะถวายจะตกประใจเขาบอกว่าเอาไปใช้สมงคลกับสมณะบริโภค นี่เวลาที่รับเงินรับทองของชาวบ้านเข้ามาเนี่ยอาตมาบอกตรงๆว่าอาตมารับอาตมาแลนะคณะของอาตมาทั้งหมดยอมหน้าด้านแต่ว่าไม่ยอมใจด้านทั้งนี้พราอะไรเพราะว่าแม่ตาหลวงพ่อปานท่ากับบอกอย่างนั้นเหมือนกันบอกว่าพวกเรานี่ยอมหน้าด้านกันก็นแล้วกันนะแต่จงอย่ายทาใจด้านเขาทำาันยังไง เนื่องในองค์สมเด็ดเพจพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบทบัญญัติไว้ว่าที่สุย่อมไม่รับรูปียะอันเนื่องในเงินและทองด้วยมือของตนถ้ารับมาแล้วปรับเป็นอบัติของเป็นนิสสคีคือใช้ไม่ได้ให้โยนทิ้งไปตัวเองเปนบัตบาจิตตีคือจิตเป็นบาปปรับเป็นโทษ แต่ทว่าพระบีในข้อนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดไว้เป็นกรณีพิเศษทรงตรัสไ้ว่าหยิบรับเงินเองก็ดีให้คนอื่นรับแทนก็ดีหรือว่าให้คนอื่นเก็บไว้เพื่อตอนก็ดีตนรู้อยู่ว่าเงินของเราอยู่ที่เขาปราบบาปเสมอกันคือตัวเป็นของเป็นนิสกีตัวเป็นน้บัดบาจิตีจิตเป็นบาปเท่ากัน ไม่รถจนลงไปมาเวลานี้กาละสมัยไม่อำํำนวยบรรดาทัานพุทตบริษัทจะไปทั้งไหนก็ตามไม่มีใครเขาให้ให้ข้าวให้น้ําตามปกติเขาไม่เคยจะให้กันเดินทางไปหิวเข้าไปในร้านอาหารเขาเก็บสตางค์ขึ้นรถขึ้นเรือเขาก็เก็บสตางค์ข้ขขาวผ่อนท่อสบายไม่มีใช่ไปหาที่เขาเขาก็เอาสตางค์ การงานจะเกิดขึ้นในคณะสงฆสร้างวัดสร้างวารซ้อมบทวิหายกา ร, รเรียนเขาก็เอาสตางค์ป่วยไข้ไม่สมบายยารักษาโรคเราไม่ไปโรงพยาบาลอยู่ไกลแวะไปบ้านหมอร้านหมอที่ไหนเขาก็เอาสตังค์ดีไม่ดีหาหมอที่เป็นปัญญาไม่ได้ก็ไปหาหมอสีหมอตีก็เอาสตังค์จะทำก็ยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะไม่หยิบเงินไม่หยิบทองอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หยิบทำเอาหน้าด้านดีกว่าใจด้านทั้งนี้เพราะอะไรว่าต่อหน้าคนเราทำเรารับเงินกันต่อหน้าคนแต่ว่ารับหลังคนเราเก็บดีกว่าต่อหน้าคนทาตนเป็นคนเคร่งคัดมัตยัตไม่ยอมรับเงินรับทอง แต่ว่ามีเงินทองไว้ในปกครองของตนขอมันได้ท่านพุทเรศาเทนิกรชนลองพิจารณาดูว่าประเภทนั้นน่ะหน้าท่านบางแต่ว่าใจด้านทั้งนี้พเพราะรว่าใจในยังสะสมทรัพย์แต่ตอนหน้าระชายชนบอกฉันไม่หยิบเงินไม่หยิบทองฉันเป็งคนเคร่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมะเร็งทางใจ รักษาไม่หายตายลงนรกก็หกชาวบ้านลมพ่อปานเจเนบอกว่าพวกเรายอมหน้านด้านแต่ว่าอย่าทำใจด้านเรื่องเงินเรื่องทองของชาบ้านที่ถวายมาจงรู้ทัวไว้เสมอว่าเขาถวายเราในสมัยที่เป็นพระถ้าเราไม่เป็นพระเขาไม่ให้ก็ต้องใช้อย่างพระ แล้วไปนแนะนำอีกว่าสำหรับเงินส่วนตัวได้มาปีนี้จงยาให้ถึงปีหน้าถ้ามันเหลือจากความจำเป็นแล้วก็สร้างทาวว้าวและวัตถุในพระพุทธศาสนาหรือ ว, ว่าทำในส่วนสาธารณะประโยชน์ให้หมดไปจิตใจจะได้ไม่มัวเมาไม่เกี่ยวข้องในการเงินนี่แหละบรรดาท่านผู้บริษัทนี่พระเข้ามาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ไปหมด ต่อมาองค์สมเด็จพระบรมสารีริให้ปฏิบัติในเจดียาวัดผุ้บริการตามพระบิ น, นัยผู้ันอย่างย่อยๆหลวงพ่อปานท่านทําได้เบรนไม่ด้เรื่องรับเตังต่อหน้าคนเท่านั้นท่านรับต่อหน้าคนคนเราถ้าจะโกหกกันบรรดาท่านผู้ตบริษัทบอกเชาวบ้านเขาก่อนดีไหมว่าฉันจะโกหกแล้วก็พูดให้ฟัง เรีย ว, ว่าถ้าเราจะโกหกเขาแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะจําไว้ฉันจะพูดให้ฟังถ้าเราปโกหกบอกเขาว่าโกหกถ้าต่อมาก็ทราบรเรื่องราวที่กล่าวไปเป็นเรื่องโกหกกับเรื่องที่เราจะโกหกให้เขาฟังแต่บอกว่านี่เป็นเรื่องจริงทุกอย่างแต่ชา บ, บ้านเขาไปรู้ทีหลังว่าโกหกอย่างนี้บรรดาท่าพุทธบริษัทจะให้อภัยคนประเภทไหน จะให้อภัยคนที่บอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่ป็นความจริงเป็นโกหกเรารู้ทีหลังหรือว่ารู้ก่อนแล้วว่าเรื่องนี้เขาโกหกเป็นนิทานเล่าให้ฟังคนสองประเภทติบรรดาท่านพุทธบริษัทเราอยายจะทราบว่าท่านเห็นว่าประเภทไหนดีในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบรรดาท่านพุทธบริษัทจริยาวัดที่หลวงพ่อปานปฏิบัติในสมัยที่บทใหม่ๆ สมัยนั้นก็มีการท่องหนังเสือนางหาสวดมนต์ท่องหนังเสือเรียนแล้วก็บินนบาัตปฏิบ่ายครูบายจานแทงทำครบ ท, ทุกอย่างแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังไม่ได้เมิดบทบัญญัติใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คําแนะนําตำเตือนใดๆที่ครูบายจานสอนปฏิบาาัติตามทุกอย่าง งานหลวงไม่ขาดงานราดไม่เสียราดนะไม่ใช่ลาดงานหลวงก็คือว่าการทำวัดการสวดมนต์และ ก, การก่อสร้างทําความสะอาดวัดวารามปฏิบัติภูบาจันทร์ท่านไม่ขาดนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของบรรดาประสงค์ท่านหลายที่บวชสัมมาในพระพุทธศาสนาที่จังพึงปฏิบัติตาม การแสดงการนอบน้อมแต่ท่านผู้มีอาวโสท่านดีมากบรรดาท่านพุทธบริษัทพระที่มีอโวโสุก็ท่านท่านสวายความเคารพอย่างนอบน้อมบางคนก็มาอย่างในฐานะลูกศิษย์ของท่านบางขอเรียนวิชาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ขัดต่อพระพุทธศาสนา แต่ว่าท่านผู้นั้นแก่พรรษากว่าท่านก็สแสดงาการนอบนอบ้นอมอันนี้น่าควรจะคิดไว้และยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทตัางหลายความประพฤติไม่ต้องห่วงเรื่องความประพฤติของท่านนี่ไม่บกพร่องแล้วก็ไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่เมาในลาบยศสึงเสริ็สุข แต่ก็ไม่ได้ตำแหนิคนที่เมาในลาบยศทุงเสริมุกน่ากลัวจะไม่เหมือนอาตมาอาตมานี่เป็นคนนอกข อ, อกลูกนอกครูไปเสียแล้วที่ใครไม่ปฏิบัติเือป่าผืนประทมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระปฏีแก้วอดพูดให้จะบ้านฟังไม่ได้ความจริงที่พูดให้ฟังไม่ใช่ประสงค์ร้าย มีความประสงค์อย่างเดียวคืออยาเจ้ศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคงอยู่นีสสำหรับหลวงพปานมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูศึกษาพระปริยัติได้เป็นอย่างดีท่านบอกว่าเวลาบิณท บ, บาทท่านก็จดหนังสือไปตอนหนึ่งเดินไปบิณท บ, บาทท่านกระทงเดินกลับมาท่ากระทงในใจ เวลาจะเรียนหนังสือไปเรียนที่วัดเจ้าเจ็ดในไปกับอาจารย์เกี่ยวคู่หูกันเวลาภายเรือไปแท่งกระท่องหนังสือไปเลยเวลาภายเรือกลับแท่งกระท่องหนังสือจิตของเราถ้าท่องอยู่ในหนังสือมันหาจิตมันก็ไม่ผวางเรื่องอืน่ตอนต่อมาที่เรียนที่วัดเจ้าเจ็ดในจบเรียบร้อยจบร้อยจบแล้วหมายความนึกว่าครูบายการท่านเลิกสอน ท่านบอกว่าท่านบอกต่อแล้วไม่มีอะไรอสอนความจริงท่านเรียนได้รวดเร็วมากเพียงสองบรรษัเท่านั้นครูก็ยกลอ้อท่านจริงไปต่อที่วัดสุเกตจังหวัดธนครอยู่ถึงบรรษัทที่เจ็ดเรียนจบการกสมัยนั่นเป็นมูลกระจาย แปลหนังสือที่แปลได้ก็แปลหนังสือธรรมบทมงคลทิฏฐิปนีตริยะสามนเป็นต้นแล้วก็อวิสุตติมัติอวิธรรมท่านม่ได้สอบเป็นมหาปริญญากับเขาที่อาจะมาทราบว่าท่านแปลอวิธรรมได้ก็เคยเอาอวิธรรมพิษญาณไปให้แปลเอาอวิสุติมัติบาลีไปให้ดูท่านเห็นอิสุติมัติท่านยิ้ม เพราะว่าวิสุทธิมรรคในฉันคล่องมากเพราะว่าฉันมีเจตนารักในวิสุทธิมรรคเป็นกรณีพิเศษเสื่มาไปใจเกี่ยว น, นรักอวิธรรมเป็นกรณีพิเศษสามารถตั้งมีเคราะห์นายที่ธรรมได้ทุก ว, วัดทุกทุกศัพทุกตัวกันเลยกันทุกคำในศัพท์สะเต็มฟังยากเมื่อเรียนจบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาวัด ตอนนี้เข้าวัดบานำโคก็ เ, เวลานั้นวัดบานำโคนี่บางจริงๆวัดเกือบจะหายไปเกือบจะหามีแต่ น, นมโคก็มันโกงเกรงระบบการทั้งปวงวัดเดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือทั้งต้นสตือธรรมดาท่านพุทธบริษัทไปเห็นต้นสตือใหญ่อยู่ทางด้านทิศเหนือนี่กลุ่มกุฏิเดิมตั้งอยู่สายนี้ แในบระโบสดเก่าอยู่ตรงกับจะดีออกไปทางด้านทิศตะวันออกแต่ถ้าว่าเวลานี้บวดเก่าก็ไม่มีกุฏิเก่าก็ไม่เหลือสําหรับกุฏิเก่าเนี่ยแาตา่ ม, มาเคยอยู่สมัยนั้นมีอยู่สามสี่หลังเคยรู้สภาพก็เคยเห็นสภาพของกุฏิ ่อไปถึงวัดบานุโคนแล้วท่านอาจารย์เกี่ยวก็พร้อมจะตั้งต้งใจกันสอนพระปริยัติทั้งด้านพระวินัยและพระบาลีแล้วก็เป็นนักเทศสอนไม่มีใครเขาให้เงินเดือนก็เทศกินเองบ้างเทศเอาเงินมาเรียงรูกเสด็จลูกหาบ้างได้มาเท่าไรก็หมดพอบรรษาที่แปด ก็สร้างพระเจดีย์ที่แปลกดองค์อยู่ในเวลานี้เป็นการเริ่มสร้างในงานแรกท่านดําดินดําทรายได้องค์เองแล้วก็ต่อมาเฤกุติบางส่วนเอาไว้ตั้งในส่วนที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานี้ไปที่หน้าเช่นใดฤกติแถวแถวนั้นเป็นกุติเก่าๆที่หลวงพ่อฟันเกื้เอาไปนล้ไปทําขึ้นใหม่เวลานี้อายุการผ่านาไปเป็นมากแล้ว ไปที่หน้าเส้นไดยอย่างยิ่งอาตมาไม่มีแรงจแล้วตั้งใจจะไปรื้อสร้างตึกให้ใหม่เป็นอาคารสองชั้นให้ทันสมัยแ้ว <c oughs> ก, ก็กำลังร่างกายมันไม่ไหวนี่บรรดาท่านผูธบริษัทเวลานี้อายุอ า, าตมาก็จะใกล้จะพอดีกับที่หลวงพ่อปานตายแล้ว เพรว่าพอดีแล้วก็เลยพอดีไปหน่อยงูปานตายอายุไรปอสอสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองอายุท่านได้หกสิบสี่ปีนี่เวลานี้อารมาอายุก็จะเข้ารอบอยู่แล้วเข้ารอบมรณภาพความจริงมันควรจะตายตั้งแต่ปีปอ2 ส, สองพันห้าร้อสิบห้าก็หมดเกนในปีนั้น แต่ทําไมอยู่มาสร้างความรำคาญในแก่บรรดาท่านพุทตบริษัทได้ก็ไม่ทราบนี่เป็นกริยาวัดขนาดที่บทใหม่เมื่อท่านสร้างวัก็สร้างสอนหนังสือก็สอนตรงอา่าแล้วก็เทศเลี้ยงพระเลี้ยงเมนรท่านบอกว่าพระเนรฆราวาสเต็มไปหมดเวลานั้นเป็นโรงเรียนโรงเรียนแรกของในเขตนั้นที่สอนเงินเดืใหญ่โรงเรียนเดิมคือวัดเจ้าเจ็ด สร้างแล้วก่อนแต่ว่าเล็กไปไม่ใหญ่เท่าโรงเรียนของท่านเป็นที่นิยมมากเพราะท่านเลี้ยงนักเรียนด้วยต่อมาก็สร้างอาคารข้างหลังหนึ่งเป็นที่สอนโรงอพระป ร, ะริยาติธรรมทิศาลาสร้างใหม่เวลานี้ทิศา ล, ลามุกหน้าสองหลังที่มีถังน้ําข้างหลังสถานตรงนั้นที่เดิมเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมทาสีเขียว เนี่ยจะมายัางงํำได้นี่เป็นจริยาวัดที่ท่านบวชใหม่ๆความจริงเป็นพระใหม่แปดพรรษาเก้าพรรษาทำได้อย่างนี้ก็ดีเลิศเมื่อย้ายกูฏิเดิมไปสร้างใหม่เป็นสองแถวสร้างหอศตร็จ ส, สร้างถังน้าสร้างโรงเรียนทระปฏิยัติธรรมแต่ก็ยังไม่ได้ทำพระอุโบสถยังไม่ได้สร้างศาลาใหม่ ต่อมาก็เ่เยอะขยายความรู้ใหม่เป็นสาธารณประโยชน์นั่นก็คือมีวิชาหมอนี่ว่าขั้นด้านจริยาภายในเป็นหมอใหญ่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ยาประจำของท่านคือใบมะกากับขา่ากับใบมะกากับยาแฝกมีสองขนานก็นำหรับโรคก็เรียกสัพเรียกสัไม้เรียกโรค มีน้ำมนต์เป็นอัศจรรย์ได้วความเป็นหมอีนนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทสมัยที่อาตมาเข้าไปบวชใหม่ใหม่ปรากฏว่าท่านปูกเป็นนักปราดท่านหนึ่งมีนามว่านายใช้เอรานี่ตายแล้วแต่ยังก็ไม่สับใช้นำสกุลว่ายังไงอาตมาไม่บอกเพราะบรรดาไปเดี๋ยวเขาไม่ตายเขายังฟองฐานมินประมาทพระองค์นังสื้อพิมพดาหลวงพ่อปาน หาว่าใช้เชาวสายศาสตร์หลอกหลวงชาวบ้านนีระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่ที่พุ่งพ่อปานมีความสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์บรรดาบุรุษชายและหญิงทั้งหมดที่มีความเคารพในศาสนาเขงองค์สมเด็จตุสุตบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอายากจนเข็นใจมาราศอโรคกับทท่านก็ไม่ได้คิดเงินคิดทองอะไรเลย หนึ่งสตังก็ไม่ได้คิดข้าวท่านก็เลี้ยงอาหารท่านก็ให้ไม่มีสตังก็แถมซื้อยาให้อีกด้วยช่วยให้เขามีความสุขแต่ต้องว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของนายช้ไมายชายประกาศลงหนังสือพิมพ์ด่าท่านศาสตร์เสียเทเสียเวลานั้นหนังสือพิมพ์ในต่างจังหวัดไม่ก็ได้อ่านกัน แต่ว่ารลวงพ่อปานมีโรคศิษฐ์ลูกหาอยู่ในจังหวัดพนครเป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ลงมาถึงข้าราชการก็ปรากฏว่าหลวงพินิษมาตราจะหลวงประธานของวิจัยนำเอาอนังเสือพิงจั บ, บัตรนั่นมาถวายท่านอ่านให้ฟังท่านก็ยิ้มบอกว่าช่าง้วเถอะพวนั้นเขาจะจัดการตามกฎหมายท่านก็เลยบอกว่าจงอย่าไปทำเขาเลย ก็อยากทําก็ให้เขาทาไปจะได้สบายใจเขาเราก็นั่งสบายไม่เห็นมันมีประโยชน์มีโทษอะไรเขินด่าเราเท่าไหรเท่าไ ร, าไรเราก็ไม่สิกไม่หลอนต่อหาว่าเราเลวถ้าเราปฏิบัติดีที่อย่างมันก็ไม่มีอะไรจะเลวถาว่าเราเลวจริงๆใครใครเขาใครเข้าไปชมเชยเราว่าดีเราก็ไม่ดีตามปากเขาพูด ขอเธอทั้งหลายจนอย่ากโกรธเคืองกับบุคคลที่ทําร้ายเราคือเอาลงหนังสือพิมพ์ดาเลย <S <S เป็นอันเรื่องราวนั้นก็ระงับไปแต่ว่าในใช้ทนไม่ไหวเพราะว่าลูกสิษย์ชั้นผู้ใหญ่ท่านทนไม่ได้แต่ลูกรลานเอาแล้วในใช้ก็ไปลงหนังสือพิมพ์ขอก็มาแล้วก็ต่อมาเขาเองขอเขาก็มาขอก็มากัลุงพ่อปาน ท่านยิ้มแย้มจ่มใสเป็นอันดีท่านแดงจจว่าจะดยาไวชอันนี้ที่ท่นานให้ภัยกับบุคคลผู้ิจจัดเป็นภภอภัยทานเสมกติองค์ที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรบรรดาแตนพุทธบริษัทผู้รับฟังวงดนตรีเข้าหันมามองดูนหน้า เขาบอกว่าหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสลดใจมากขายักคอเป่าเปลงมอนก็ว่าอย่างนั้นเป็นการประคมความดีที่หลวงพ่อปานให้อภัยกับในาใยช้ยเดือดทำลายความชั่วให้พิน้าศจิตหายไปให้มันตายไปคล้ายๆกับเปลงมอนนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทั่วโลกไม่ช้ำทําไม่เสียปล่อยเขาบันเลงไปสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเอาไม่เกินสิบนาทีนะนักบวงดนงตรี